เป็นผู้มีสติควบคุมตนได้เรียกว่าเป็นคนที่ฝึกแล้วหรือผู้ชนะตนเองซึ่งเป็นยอดของผู้ชนะสงครามพร้อมกันนั้นก็มีจิตหนักแน่นมั่นคงไม่วันไหวโยคลอนไปตามอิฐถารมอนิฐถารมเหมือนภูเขาหินใหญ่ไม่วันไหวด้วยแรงลมหรือเหมือนพื้นแผ่นดินเป็นต้นที่รองรับทุกสิ่ง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 ไม่พึงหวังเพอ้อถึงอนาคตสิ่งที่เป็นอดีตก็ผ่านพ้นไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงมีข้อที่ควรสังเกตและทำความเข้าใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้คือจะเห็นว่าการไม่ราพึงหลังไม่หวังอนาคตนี้ได้จัดไว้เป็นลักษณะของภาวะทางจิตไม่ใช่ลักษณะของภาวะทางปัญญาถ้าเทียบกับคาฝ่ายตะวันตก